BOOK 2 4สี่สิบแปดอกิจกรรมระหว่างการพักร้อนเฟรีย a แอคท i วิตี r ร์หาดทรายสะอาดไหมอาร์นเล่นน้ำที่นั่นได้ไหม เล่นน้ a ที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรืออาขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะสั่นีได้ไหเช่าันแรเชาร่มี่น้าช่ที่นี่ได้ไหมคะรได้ไเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะเช่าเี้าที่นี่ได้ไหมคะ ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะคอน ม, มันไลเยโบธาร์ดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่นอยากมินฟรนิดิฉันอยากดำน้ำอยากมิลเลรนดิ้ิฉันอยากเล่นสกีน้ำอยากมิลเลอร์เนอร์สตอปบนวันช ข <elet> <erte> อเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะขอเช่าอุปกรณ์ดำน้คขอเช่าน้้อช่ากีน้ได้ไหมคขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะช่าสกได้ไหมคกด้ไหขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะขอเช่าน้ำไดเช่ดอ่นมเดห่าดเก่สมกหกด้ไหมคะ ดิฉันพอเล่นได้ย้ายอาร์มิดิ l i n ฟดิฉันเล่นได้ดีมากย a ายหาร์เปลิงก์เสกีลิฟอยู่ที่ไหนบคุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่าเมได้ส คุณมีรองเท้าส ก, กีมาด้วยใช่ไหม